4อวันทณียะปุคลาธิว่าด้วยบุคคลไม่ควรไหว้เป็นต้น477ถามบุคคลเท่าไรอันภิกษุไม่ควรกราบไหว้บุคคลเท่าไรไม่ควรทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมทำแก่บุคคลกี่พวกต้องอาบัตทุกกฎการทรงจีวรมีกำหนดเท่าไรตอบ บุคคลสิบจำพวกอันภิกษุไม่ควรกราบไหว้ไม่ควรทำอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมทำแก่บุคคลสิบจำพวกต้องอาบัตทุกกฏการทรงจีวรมีกำหนดสิบวันให้จีวรเป็นต้นถามจีวรควรให้แก่บุคคลในศาสนานี้ผู้อยู่จำพรรษาแล้วกี่พวก เมื่อมีผู้รับแทนควรให้แก่บุคคลกี่พวกและไม่ควรให้แก่บุคคลกี่พวกตอบจีวอนควรให้แก่สหธรรมิกหในศาสนานี้ผู้อยู่จำพรรษาแล้วเมื่อมีผู้รับแทนควรให้แก่บุคคล7จ็ดจำพวกและไม่ควรให้แก่บุคคล16บหกจำพวกภิกษุอยู่ปริวาสถาม ชั่วหนึ่งรราตรีภิกษุอยู่ปริวาทปิดอาบัติไว้กี่ร้อยต้องอยู่ปริวาสกี่ราตรีจึงจะพ้นตอบชั่วหนึ่งราตรีภิกษุอยู่ปริวาทปิดอาบัติไว้หนึ่พราตรีต้องอยู่ปริวาทสิบราตรีจึงจะพ้นโทษแห่งกรรมถาม โทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงสักต ร, รัดไว้เท่าไรกรรมที่ไม่ชอบธรรมทั้งหมดที่ตรัดไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปามีเท่าไรตอบโทษแห่งกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักต ร, รัสไว้มีสิบสองกรรม กรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาล้วนไม่ชอบธรรมกรรมมสมบัติถามกรรมสมบั ต, รรมมบติอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักตรัสไว้เท่าไหร่กรรมที่ชอบธรรมทั้งหมดที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปามีเท่าไหร่ตอบ กรรมสมบัติอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้มีสี่ประการกรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจาปาล้วนชอบธรรมกรรมหกอย่างถามกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่ กรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบรรมมีเท่าไหรที่ไม่ชอบรรมมีเท่าไหร่ตอบกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศัก์ตรัสไว้มีหกอย่างในกรรมหกอย่างนี้กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศัก ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบรรมมีอย่างเดียวที่ไม่ชอบรรมมีห้าอย่างกรรมสี่อย่างถามกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไหร่กรรมที่ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบรมมีเท่าไหร่ ที่ไม่ชอบธรรมมีเท่าไรตอบกรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้มีสี่อย่างในกรรมสี่อย่างนี้กรรมอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้ในเรื่องพระวินัยในพระนครจำปาที่ชอบรรมมีอย่างเดียวที่ไม่ชอบรำมีสามอย่าง อาบัตระงับและไม่ระงับถามในกองอาบัตที่พระอนันตชินะเจ้าผู้คงที่ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้วนั้นกองอาบัตกี่กองเว้นสมถะเสียก็ระงับได้ท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพระเจ้าถามข้อนั้นขอท่านจงบอกตอบ ในกองอาบัตที่พระอนันตชินะเจ้าผู้คงที่ผู้ทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแล้วนั้นกองอาบัตกองเดียวเว้นสมถะเสียก็ระงับได้ท่านผู้ฉลาดในวิพังข้าพเจ้าขอบอกข้อนั้นแก่ท่านภิกษุผู้ทําลายสง์ไปสู่อบายถาม ภิกษุผู้ทำลายสง์ไปสู่อบายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ไัดไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบภิกษุผู้ทำลายสง์ไปสู่อบายตกนรกอยู่ชั่วกับอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ รัดไว้144จำพวกขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยภิกษุผู้ทาลายสงไม่ไปสู่อบายถามภิกษุผู้ทำลายสงไม่ไปสู่อบา ย, าา ย, อ, บายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพัน์แห่งพระราชาผู้สูงสักรัดไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินัยตอบภิกษุผู้ทําลายสงฆ์ไม่ไปสู่อบายอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุ์แห่งพระราชาผู้สูงสักตรัสไว้สิบแปดจำพวกขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินัยหมวด8ถามหมวด8อันพระพุทธเจ้า ผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้เท่าไรข้าพเจ้าทั้งหลายขอฟังวิสัยของท่านผู้รู้แจ้งพระวินยัยตอบหมวด8อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันแห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์ตรัสไว้สิปหมวดขอท่านจงฟังวิสัยของข้าพเจ้าผู้รู้แจ้งพระวินยัย